Mm hmm. เป็นวันมั่นหมู่วังณไลน์ในวันนี้ช่วงเป็นประจำในการ และสามารถที่จะโทรมาในรายการได้ที่เราในช่วงเวลาที่เราต้องการข้อมูลที่เป็นประโยชน์พูดคุยกันนี้ แต่ทางราชการทางสำนักงานพฤติศาสนาแห่งชาติก็โรงโรงเนี่ยมีจะไปปฏิบัติ นะการใช้ชีวิตทางบ้านทางเรือนก็อย่างหนึ่งเดี๋ยวเป็นไปสัมมนาเดี๋ยวที่ไปภารกิจราชการเอกชนไปต่างประเทศไปเที่ยวอะไรต่างๆ ตอนนี้ยังไม่ว่างก็ยังไม่ทําเราก็ต้องทํา ในโลกของเราเนี่ยนะเอาใบนี้แหละ ในส่วนที่ควรทําความเข้าใจก็มีในส่วนที่จริงๆที่บอกว่าเอ้อโลกเป็นของแบกเพื่อน พระเจ้าบอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยเกิดมาจากโลกแต่แต่ว่าไม่แปดเปื้อนโดยโลกเหมือนกันนะอย่าง ทำมานี่เป็นของสูงของประเทศเอาไว้ก่อนนะเรายังอยู่ในโลกเรายังต้องเอ่อแปดเปื้อนสกปรกอยู่ยังแยกกันไปมันไม่ใช่อย่างนั้น เรื่องดีๆมันก็มีเดี๋ยวคนก็แบ่งปันมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เดี๋ยวมีเหตุการณ์เค้าก็เปิดทางให้ไม่ได้ตัดเลนกัน เอาไอ้แย่ๆเราเห็นนี่คนก็ด่ากันออกเวทีเงี้ยก็ด่าโอ้พ่อ ก็เป็นเป็นธรรมที่ควรละไงทําไมพระ 2 อย่างน่ะไม่ใช่แยกกันไปทีนี้ คุณอยู่เหนือโลกแล้วการที่คุณเข้าใจว่าโลกส่วนดีก็มีส่วนแย่ก็มีเราเข้าใจว่าเราละตรง ในโลกมันเป็นยังไงโลกดีก็มีโลกไม่ดีก็มีนะเพราะเรา <tiro tiro> ก็เป็นธรรมะทั้งสิ้นนั่นเองในธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศถอนเพิกถอนทอดทิ้งไม่เอามันซะนี่คือ อันนี้ป่านคุณทําไม่ 5 ในสิ่งที่เราอยู่เป็นอยู่เนี่ยคือจะต้องเข้าใจว่าอันนี้ควรละอันนี้ควรทําไม่แจ้งในสิ่งที่ควรๆก็มีอยู่เนี่ยนั่นคือความเข้า ภริยาเห็น 20 ปีมันตระยศฉันมาตลอดนะเกิดเกิดในที่ทํางานอย่างเงี้ยเห็นเค้าโกงกันในเอ่อโครงการต่างๆเค้าฮั้วเค้าโกงกันโอ๊ย เพราะเรารู้ว่าอันนี้ควรละอันนี้ควรทําใช่มั้ยความรู้ตรงเนี้ยคือความเข้าใจเรื่องโลกความเข้าใจเรื่องสิ่งที่อยู่รอบตัวเราบางทีถูกแม่ด่าบ้างถูกเพื่อนว่าบ้างเจอสถานการณ์ที่มันไม่พอใจเนี่ยเอ๊ะมันเกิดความหึ่มๆของความจี๊ดๆความเหมือน นั่นคือจิตที่มันไปรับรู้ เห็นภาพเนี่ยก็เป็นคนละอันกันแล้วเราพยายามที่จะเข้าใจ กับมันมาจากอันเดียวกันจันทร์ที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ําเนี่ยมันมาจากอันเดียว เราจะเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงเห็นแยกแยะออกมาน่ะคือที่ๆอยู่ในใจเราทําวางก่อนวางสิ่งยินวางสิ่ง แม่ก็ปล่อยง่ายๆปล่อยละวางใช่มั้ยเราจะวางได้ละได้ปล่อยได้ได้จะที่เป็นจริงซะที่เป็นจริงได้รู้ว่าอันนี้มันควรละอันนี้ไม่ กำลังนี้ที่นี้คือเหมือนเหมือนของมันมีสมาธินั่นเอง คุณจะมาเห็นตามที่เป็นจริงจะมาเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้สิคุณมีสมาธิที่คุณจะมามีสมาธิได้บูชาพูดถึงระดับของความ ใจเราจะต้องไม่ร้อนรุ่มร่านใจเราต้องไม่ 5 อย่างนี้นี้ในเช่นว่าถ้าเราไม่รักทรัพย์ไม่สุราเมรัยถ้าเรามี 5 อย่างนี้เราจะ คุณรักคุณทำลายคุณทำสิ่งไม่ดีก็เราไม่ได้ทำถึงแม้เขาจะมากล่าวตู่ เพราะไม่มีความรั้นใจเราจะมีความสบายใจมีปิติเกิดขึ้นมี ปล่อยวางได้ก็สามารถที่จะแยกแยะแล้ว